สอุดชักขีกะวักสิกขาบทที่หนึ่งหนงหภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินหัวเราะดังไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งหัวเราะดังในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือ อาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สามกิสุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินตะโกนเสียงดังไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สี่กิุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่ห้า ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงกายไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อนั่งโครงกายในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกดสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ เดินแกว่งแขนห้อยแขนไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งแกว่งแขนห้อยแขนในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่9ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเดินโคลงศีรษะ ไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่ส0ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อนั่งโครงศีรษะในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎอุดชักขิกะวักที่สองจบ